ครับนิ่งครับออปล่อยสิเอาความเป็นลิงออกมา <c oughs> โอไม่ยอมออกเอาเอายังไม่ออกก็ไม่ออกแต่แต่คือมันก็ฟุ้งซ่านนะครับหลวงพ่อฟุ้งซ่านไม่เป็นไรนะ <c oughs> คือตอนนี้โดยไหวของเราเนี่ยมันต้องฟุ้งซ่านบ้าง <c oughs> เลือดลมมันร้อนแรงธรรมดา <c oughs> อยู่ที่ว่ารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะอย่ามีเมียโดยบังเอิญ น, นะ <c oughs> ยามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเลยจะได้สบายอ่ะยังประคองอยู่คะ่ะย<ม>ังประคองอยู่คะ่ะประคองนิดหน่อยน ะ, ะช่วงนี้จิตของแก้วมีแรงขึ้นละรู้สึกั้มมันมีกําลังมากกว่าแต่ก่อนแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าแต่ก่อนรู้สึกัหมแต่ก่อนไม่เชื่อมั่นในตัวเองแม้ธรรมะทำให้แก้วเปลี่ยนไปเยอะเลยรู้สึกไหม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 พอคนพออายุมากขึ้นเนี่ยนะเวลานั่งเฉยๆมันจะเริ่มซึมงนั้นถ้ามันซึมนะเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างตอนนี้ใจนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมไปทำใจให้นิ่งอย่าไปทำมันเช้าตื่นเช้ามากเลยเั้า <c oughs> ตื่นเช้ากี่โมงโอ้เมื่อคืนไม่ได้หลับตั้งคืนเลยเจ้าค <c oughs> ่ะเปคู่<ะ>แข่งหลวงพ่อเมื่อคืนกว่าจะนอนตนะั้งตีหนึ่ง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 ขณะนี้มีความเบิกบานผุดขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั้นมันเบิกบานโดยตัวของมันเองเนะนี่ยรู้สึกไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่อย่าประคองเอาไว้มีก็มีไม่แน่ๆเนี่ยเข้าไปสังเกตไม่สังเกตด้วยจงใจไปสังเกตก็คือการกระทํากรรมอีกอันนึงขึ้นมาแค่รู้สึกแค่รู้สึกความรู้สึกใดเด่นชัดก็ค่อยรู้เนี่ยเข้าไปสังเกตอีกละคแล้ะ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 อย่าตอนเนี้ยหนีไปคิดแล้วทราบไหม <Okay. S 1> แค่รู้รู้เล่นๆไปเลยแต่ต้องไม่จงใจมากต้องรู้สบายๆใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะเรารู้ไปสบายๆยันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบว่าแป้งยังไงไม่ทราบยมรู้สึก <ขอ S 1> <ต>ไหมจิ ต, ต<า>จใจเราขณะนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงนิ่งกว่าธรรมดารู้สึกไหมนึกนึกถึงตอนที่ยังภาวนาไม่เป็นออกไหมจิตใจตอ<ๆ>นที่ยังภาวนาไม่เป็น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 อย่างฟังฟังแล้วตอนนี้ขำขึ้นมารูว้ว่าขำตอนนี้ฟังแล้วงงรู้ว่างงตอนนี้ฟังแล้วก็ใจลอยหนีไปที่อื่นรู้ว่าใจลอยต้องผลัดกันนะเมื่อก่อ น, นอาตมาฟังอาจารย์นะต้องผลัดกันบ้างนะให้อาตมาได้แทนขุนบ้างอ้าวสีชายครับกราบนวัต ก, การครับพอดีก็พาอาจารย์มาครับดีแล้วอาศัยใบบุญอาจารย์มาพบ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 ไม่เพียนคือไม่เอาแต่นั่งเพ่งตัวเองอย่างบางคนดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจนะัเรียกว่าเพียนอยูนะ่เพียนอยู่แล้วสิ่งที่ได้ได้อะไรได้ความดนะีถ้าพักอยู่ได้ความชั่วทั้งดีและชั่วก็นําไปสู่ภพภูมิใหม่ภพความชั่วก็นําไปสู่อวัยภูมนะิภูมิที่ตกต่ําความดีก็นําไปสู่สุขติภูมิไม่ได้นําไปสู่นิพพาน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 แมไม่ใช่อย่างนี้ตอนนั้นไม่ใช่อย่า ง, งนี้นใ่ะเอาร้อยหนึ่งแล้วก็แจวกรรมนมาสการค่หลวงพ่ อ, อ, อจริงจริงก็ตอนแรกว่าจะไม่ส่งและอายคนหนึ่งเดือนว่าจันยาก็ฝึกมาหนึ่งปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันไม่ <c oughs> ใช่ไปวัดอย่างนั้นนะบางคนนะเจ็ดวันเขาก็ทำได้แล้วเจวันก็มีนะแบบเอาตัวรอดเลย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 ที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะต้องแก้ไขอะไรไหมค่ะโอ้เอางั้นเลยเหรอใจถึงเปล่าอยากรู้จริงๆริงไหมอยากรู้ค่ะใจมีโมหะรู้สึกไหมมัวมัวดิ้นดิ้นด้วยค่ะเออใจมันฟุ้งซ่านนั่นแหละนะมันดิ้นต้องแก้ไขอะไรไหมคะต้องทําอะไรเพิ่มไหมคะให้รู้สิพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูกราภิกสูทั้งหลายเมื่อจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะ